พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เราก็นึกถึงความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างแรกความเห็นตัวหรือว่าการนึกถึงตัวเองก่อน น, นี่มันเป็นธรรมชาติที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด เป็นได้ตั้งแต่ตั้งแต่ทาลกทาลกเขาก็เขาก็มีความเ็นตัวส่วนนเพาก็ไม่ประสีภาษาคือหิวเมื่อไหรก็ร้องนะหรือว่าไม่พอใจอะไรเมื่อไรก็ร้องโดยที่ ไม่สนใจคนอื่นว่าว่างอยู่หรือเปล่าทอานนี้เราก็ยกให้เป็นความไม่ประสิทธิภาษาแต่ว่าเขาก็เห็นได้ ว, ว่าเขาทำทุกอย่างคือให้ตัวเองได้อยู่รอดนี่ก็เป็นลักษณะธรรมชาติที่เห็นได้ทั่วไป แต่จะว่าไปความนิยต์ตัวมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะว่าจะอยู่รอดได้แล้วก็เพยแท่่พันธุ์ได้ก็ต้องมีความนิยตตัวก่อนเพราะว่ามันทรัพยากรก็มีจำกัด แข่ันกันคนเราจะแข่งขันไดน้ต้องมีแรงขับกันคือความเห็นแก่ตัวเราต้องไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่มีแรงขับจะให้ไปแข่งขันไปแย่งชิงัเรัพยากรมีแม้ทั้งไปแย่งคู่ไปหาคู่มันก็ต้องแย่งกันถ้าไม่รู้จักเห็นแก่ตัวไม่รู้จักแย่งก็ ก, ก็หกก็กหิวหิหวโหยหรือว่าไม่สามารถจะหาคู่มาแพร่พันธุ์ได้ก็คอยตายไปตายทั้งตัวตายทั้งเผ่าพันธุ์อันนี้มันก็ความให้กตัวธรรมชาติสร้างมากกเพื่อทำหน้าที่ทั้นพื้นฐานของชีวิตก็คือการร อ, อดไห่ได้นี่เป็นกำหดนดะ ม่วจะเป็นพืชสัตว์คนก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าคนเราอาจจะรนุสัตว์บางชนิดบางหมู่บางพวกด้วยก็ไม่ได้มีแค่ความเป็ น, น ต, ตัวนี่ถ้ามองถ้าเปลือกความกป็กตัวเหมือนกับเป็นเปลือกชั้นแรกของจิต เปลือกิ้นผิวชั้นแรกของจิตในชั้นที่รองหรือชั้นที่ถัดไปก็คือความเพื่อเฟือเผื่อแผ่ความเห็นแก่ผู้อื่นความเสื่อยสละตลอดจนถึงคุณธรรมข้ออื่นเช่นความสื่อสั์สุจริตความปรารถนาเมตตา ปารัทาดีหรือเมตาตาและสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งของของมนุษย์แล้วก็สัตว์นะสัตว์จำนวนมากด้วยไม่ใช่แค่ลิงอย่างเดียวอย่างไม้มันก็ยี่จับช่วยกันเวลาตัวนึงถูกลังแกกตัวนึ้งก็เข้ามาช่วยหรือว่า การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีการรู้จักให้ mm. หมดนี่ก็เห็นได้ชัดนะว่าเขาก็วาดแต่ตัวนี่ก็น้อยเห็นกต่ส่วนรวมนี่มากยอมตายเพื่อส่วนรวมแล้วเพื่อปาลารมมาก็ช่วยคน แล้วทั่งเต่าก็มีเรื่องเรา่ามีกระสีคนมันตกตกเรือเรือมันโงเฟรมเรือตียสมุดตกมาก็ก็จมตกวงก็ตกกองน้ําก็ต้องอยู่กลางมาสมุดก็ต้องพายเอิงตึงเองวว่ายน้ํา มองไม่เห็นฝั่งเลยว่ายไปว่ายมาก็ไปเจอเจอไมกว่าเ็นกไม้หรือว่าหรือว่าทุ่นเนี่ยนะลอยลอยอยู่กลางทะเลก็ไปก็ขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นทุ่นนั้นบอกกันว่าไม่ใช่ทุ่นนะมันเป็นมันเป็นกระดองเต่า เป็นกระดองเต่าตัวใหญ่มากแต่เต่านี่มะมันมันได้อยู่บนน้ำมันก็ต้องลงลงน้ำด้วยถ้าเต่าตัว น, นั้นดาดิ่งลงทะเลชายคนนั้นก็ก็เป็นนันเสร็จแน่แต่ว่าเต่าตัว น, นั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมดำดิ่งลอยอยู่เป็นอยู่น้ำนี่แหละลอยอยู่เป็นลอยอยู่น้นกี่เดือเป็นวันเลย จนกทั่งมีนเลยล้ำผ่านมาเพื่อเลยช่วยชีวเข้าไว้ได้เขาก็เลยเอาเต่าขึ้นมาเต่าตัวนั้นขึ้นมาบนเรือมันเลี้ยงฉลองมันเลี้ยงฉลองเต่านะไม่ใช่ไม่แค่เอาเต่ามาเลี้ยงฉลองให้กับคนก็ฉลองเสร็จก็ปล่อยเต่าลงทะเลอันนี้เขาก็เป็นเหตุการณ์ซี เหมือนกับว่าต่อนี่เขาก็รู้เขาก็พยายามช่วยมนุษย์เอาไว้นกก็เหมือนกันเคยลอยฝั่งแล้วนกอ่านกับหายกับหงนี่ช่วยกันหงนี่ช่วยหายที่ติดน้ําแข็งไม่ความเห็นกับความเห็นกับส่วนรวมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตามันกเป็นธรรมชาติหนึ่งของของมนุษย์เดินเหมือนกัน เป็นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอยธรรมชาติส่วนนี้ซึ่งเป็นอยู่ในซึ่งอยู่ถัดลงไปจากความเป็ตัวสมมุติเรานึกภาพมันเป็นวงกลมวงกลมวงชั้นแรกก็เป็นความเป็นตัวชั้นที่สองก็เป็นความเรสียสละความเอื้อเฟื้อแต่ว่าความเมตาามเมตาความเสียสละนี้ บางครังมันอ่อนแอไม่มีพลังเวย้ยไม่สามารถที่จะจะแสดงตัวออกมาให้เห็นได้ไม่สามารถที่จผ่านเปลือกชั้นแรกออกมาได้เปลือกชั้นแรงที่มันหนามันหนังต้องอาศัยการกระเทาะอันนี้ความเมตตาความพัฒนาดีความเอื้อเฟื้อจะออกมาได้อย่างไง มันก็ออกมาได้ด้วยหลายสายเหตุเช่นการเห็นผู้อื่นมีความทุกข์เห็ความทุกข์ของผู้อื่นมันก็ทำให้เรามันก็เรียกร้องความความเมตตาให้ออกมาแต่บางครั้งเห็นแล้วก็ยังไม่ช่วยเพราะวันไม่ถึงตัวเองเช่นผงคนเป็นลมอยู่ข้างหน้าตัวเองกำลังเล่งลื่นก็เลย ผ่านเลยไปไม่ได้ไปช่วยคนแต่บางคนที่เขาเมตตาเขามีพลังมากเขาก็ไึกถึงตัวนู้ถึงคนอื่นกับตัวเองทางการจะเดือดร้อไม่เป็นไรก็ลงไปช่วยลงไปช่วยคนที่เดือดร้อนก่อนเสียงานเสียการไม่เป็นไรอันนี้มีแต่ส่วนก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็ผ่านเลยไปเพราะว่าความเมตตตัวนี้มันมีมากกว่ามันมืนกับเปลือกที่หนานความ เมตาก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเผาฝ่าออกมาได้เน่นแต่ ว, ว่าความทุกข์นั้นมันมากมายมหาศาลจนกระทั้งไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อย่างกนณีสุนมิตรกรณสุนมิคนเดือดร้อนเรืนี้ทั่วไปหมดเป็นหมืนม่นๆคนตายก็ 5-6 ศูนย์อันนี้คนธรรมดายอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าความทุกข์นั้มัน ก็ปไปป ล, กลุกเราความความเมตตาในใจให้ให้ให้ริดขึ้นมาตรงกระทั่ทงท่องเรียกว่ามันความทุกขมันกระเทาะใจกระเทาะใจกระเทาเปลือกผิวชั้นแรงให้ความดีที่อยี่ภายในคลั่งตัวออกมาจนการเป็นคืนนำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่ง น, งนี้ขนาดที่เรียกว่า เอ า, ช น, าชนะความกลัวชนะความกลัวเอาชนะความรักสบายได้ไปนอนไปนอนไปกินอยู่ข้างศพที่เหมือนจะให้ตัวเรากลัวแต่ว่าก็ความเสียสละก็สามารถมีพลังในการกดข่มความกลัวไวได้นอกจากความทุกข์ของผู้อื่นแล้วบางทีการที่ผู้อื่นได้ได้ทําความดีกับตัวเอง เมื่อมีคนมาทําความดีกับตัวเองก็ทําให้ให้ความกับตัวมีวิสัยที่ไม่ดีนี่มันมันแพ้แพ้ต่อความดีภานในใจของคนคนนั้นอย่งเชเวลาเราเราโกรธใครสักคนแต่คนนั้นเขาไม่ได้โกรธเราเขาก็ทําดีกับเราเราพยายามเราต่อว่าเขาเราแกลง้งแกล้งแต่เขาทําดีกับเราเขายัางทําดีกับเราอยู่เรื่อย ให้ความดีตรงนี้แหละที่มันเราที่สุดก็ไปปลูกความดีไปในใจแล้วให้แสดงตัวออกมาจาานได้แล้วก็ในสุดเราก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเขาเพราะว่าเขาทาดีกับเราเป็นะทั่งเรื่อวอั น, นี่เรียกว่าฉลาดใจคนไม่ดีนี่แต่ว่าเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนดีก็ได้ก็เพราะว่าอีกฝายนี่ก็ทําดีด้วยอย่างที่เรียกว่าอย่างยังไม่มี ยังไม่หยุดจั้งยู่ดียังไม่มีเงื่อนไขอันนี้เราคงเห็นได้ที่โจนมาจีโจนมาจีผู้หญิงอันนี้เป็นอะไรฟังผู้หญิงไทยไปถูกคนดำจีที่อเมริกาก็ไม่มีอะไรให้ไอ้คนดำก็ไม่พอใจ ในกระเป๋ากระเป๋งงุยมันก็มีแค่ยี่สิบเหรียญสร้อยคอนาฬิกาก็ไม่มีก็เลยสงสัยว่าจะเอาว่าทำไมมีแค่นั้นคนไทยคนเอเชียนี่รวยไม่ใช่หรือมาเดยวถึงมึงก็คุยไปคุยระหว่าง น, นั้นเองก็ยามหน้ายามที่อยู่หน้ามาชัยไลเห็นก็โทรศัพท์เรียกตำรวจ ผู้หญิงไทยเห็นยามโทรศั์ก็รู้ลับเกิดอะไรขึ้นกันเลยโบกมือบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนกันโจนั่นก็เลยก็เลยงงบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนอกันเมื่อไหร่ผู้หังก็ก็มากีนิ้งคู่อย่างนี้ก็ทำให้เปลี่ยนใจได้โจเปลี่ยนใจ พอรู้ว่าผู้หญิงวันนี้ไม่มีเงินอยู่สิเหรียญก็จะไปซื้อไข่กินอาหารทำปรุงอาหารทั้งอาทิตย์ก็เลยให้เงินผู้หญิงคนนั้นปู้หญิงไทยเสมย50ดอลลาร์แล้วพาไปชอบพาไปซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าในห้างสะดวกซื้อนาหายใหม่ถ้ากลายเป็นเพื่อนเนะี่นี่เป็นตัวอย่างของคนซึ่งบางทีเรามุ่งไล่เขาแต่ว่าเขาทําดีต่อ ในามมันกับตัวที่เป็นที่หมางความมุงง่งร้านก็มันก็พ่ายแพ้เพราะว่าความดีในใจเราถูกปลุกขึ้นมาจากความดีของผู้อื่นอันนี้ก็ก็เห็นได้ที่สันติวิธีมีพลังก็เพราะว่ายอมให้ฝ่ายกขให้ฝ่ายเขาทุบให้ฝ่ายเตีแล้วไม่ตอบโต้บางทีกบบยืนตอกไม้ให้ยืน่น น้ำดืนอาหารให้ก็การจะทำความดีข่อผู้อื่นก็ไปปลุกเร้าความดีในใจในใจเขาให้ให้ออกการแสดงตัวออกมาจนทั่งสามารถที่จะเอาชนะความโหดร้ายความทาร ค, ค, ความเีแตตัวความโ่วยความเดือดได้ จริงไม่ใช่ไม่ไม่เป็นต้องให้ให้กันเป็นต้องต้องต้องให้ผู้อื่นทําความดีกับเราก่อนเพียงแค่ผู้อื่นนั้นเขาเห็นความดีของเราเขายอมรับความดีของเราหรือเขาเชื่อว่าเรามีความดีมันก็จะทําให้ความดีในใจเราขึ้นมันมีพลังเอาชนะความความไม่ดีหรือความเบื่อตัวในใจเราได้ อย่างครูสุรินครูสุรินกิติเชีเนี่ยเขาเป็นตอนนี้เด็กนเป็นนี่ก็เป็นเป็นครูซึ่งผู้คนยอมรับมากเปครูที่ดีมากเป็นแต่ว่าตอนตอนใ น, นมุมที่เป็นครูที่เกลเลยเป็นครูที่เกเลเอตอนนี้ก็เป็นครูที่เก่งสอนเก่งแล้วเกลเอเนี่ยไงเติด ก, การพันฒนา อย่างนี้เอาหมดในว่าหวยโป้ไพ่ถึงขนาดไป ต, ตั้งวงชนไก่อยู่หน้าตรงนี้แล้วก็ติดบุหรี่มากกินสูบบุหรี่จนมือเหลืองนิมือเหลืองเลยแม่ขอร้องก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนวิสัยแต่ว่าจะเปลี่ยนเกิดขึ้นวันหนึ่งเมื่อเป็นวันครู คุณครูก็แนมเพลก็มาเปิดงานแนมเพลก็บอกวานพูดถึงคุณครูว่าครูเป็ น, นู้ชนิดบุคคลเป็นผู้ที่เขาเคารพนับถือมากครูเนี่ยเป็นูที่ ส, สอนให้เาเป็นคนดีเขาก็ไหว้ครูได้อย่างสนิทใจกพรความเป็นคนดีของครูพูดไปพูดไปครูินก็ เลิกตลายขึ้นมาค่อยๆซ่อนอค่อยๆเอามือทิมเหลืองก็คราบกบบรีเนี่ยค่อยๆเอาไปซ่อนให้คนเห็นกลัวกลวักลัวแหน่เพิรจะเห็นตัวเองว่าไมได่ดีอย่างที่สารเสร่อแหนเพิร์ก็พูดต่อไปว่าตอนที่ได้เป็นแหน่เพิร์ไปหาก็ไปหาแม่กลับไปที่บ้านหานแม่ แม่ก็บอกว่าเป็นนายเพอร์นี่แมวยังไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ท่นอาจจะดีใจลุณใจกเพราะลู้เป็นคนตีครูมินีมันก็ไปกระทบใจครูสุรินทร์มาไป อ, อีกครั้งหนึ่งนั่เลยนึกถึงแม่ขึ้นมาว่าแม่เคยว่าทำไมแม่ถึงสอนแม่ถึงอย่าให้เกนนเลือวินเลิกเล่าเลิกการพนัน ไอ้นเงนี่ยความดีมันที่มันซุกซ่อนสงบอยู่ในใจก็เปิดมีพลังขึ้นมาจนกระทั่งครูเซก็ตัดสินใจเลิกการพานาักทุกอย่างอันนี้เรียกว่าความดมีสามารถจะเอาชนะความไม่ดีได้ก็เพราะว่าคนอื่นมีคนอื่นเขาเห็นความดีของเราหรือเขาเชื่อว่าเรามีความดีอย่างที่เคยพูดไปเด็ก เด็กขึ้นแกเรแต่เปลี่ยนที่ใสเป็นคนดีได้ในี่สุดทั้งที่ครูนี่หมดกำหมดหวังห ม, หมดทางหมดแก่นะเพราะว่าครูเขขอให้เจ็บโรงเรียนในห้องพูดถึงความดีของเด็กแต่ละคนแต่ละคนแล้วครูก็เอาข้อมูลหล น, นั้นมามารวบรวมมารวบรวมเขียนแล้วก็ส่งให้เด็กแต่ละคนแต่ละคน คนละแผน่นคนละแผ่นว่าเด็กคนนี้ดีอย่างไงในสายตามของครูจะเป็นก็แปลใจในทั้งห้องแปลกใจว่าฉันมีความดีด้วยรู้เราก็นับแต่นั้นเด็กก็กลายเป็นอยู่ในความอยู่แล้วเป็นเด็กดีไปเลยแล้วก็กระดาษที่ครูให้นี่เราหลายก็เก็บไว้เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่กระ เ, เป๋าไว้จนจนจยัดอยู่ที่ เรืนี้ก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งมาางงีเด็กคนตายแล้วก็แม่ของเด็กก็เลยมาคุยแม่เห็นแม่ของแย่างคนตายเป็นเพื่อนเพื่อนก็เลยเรียกมาคุยด้วยว่ารูเปน เ, นรเก็บกระดาษกระดาษแผนนี้เอาไว้จนโตเวลาท้อแทบเมื่ไรก็นึกถึงก็เอากระดาษแผนนี้ขึ้นมาดูว่าโอ้ก็เกิดตำลังใจ บอกว่าเพื่อนๆหลายคนก็าเจบกระดาษที่ครูให้ไว้ด้วยกันฉนันน่าจะผ่านไปล้วสิบกว่าปีนั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างอะไบางทีการที่มีคนอยู่ได้เห็นความดีของตัวซึ่งตัวเองก็อาจไม่รู้ว่ามีหรือคนอยู่ก็เชื่อมั่นว่าตัวมีความดีมก็ทําให้ก็ไป็นเป็นการเพิ่มพลังให้ความดีในใจของตัวเองข้างเอาชนะความชั่วด้ คนเกเลยคนที่คนที่อันตรบพานหรือแม้กระทั่งฆาตกรโจรเหล่านี้นีเก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความดีนะแต่นะว่าเขาจะไม่แสดงความดีให้ปรากฏเลยแม้แต่น้อยตามแต่ความชั่วตลอดความดีก็มีแต่ว่ามันไม่มีพลังที่จะแสดงออกมาได้เพราะมันติดมันมันมันติด ติดอยู่ที่เปิดชั้นแรกคือความเป็นตัวความยากกระด้างมันไม่สามารถที่ทะลุทะลวงออกมาได้ที่ความดีจะมีพลังทะลุดทะลวงออกมาได้นี่ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งเส่วนใหญต้องอาศัยปัจจัยภายนอกความดีของผู้อื่นมากระทบใจหรือมาเป็นกําลังถึงเสริมให้ความดีในใจมัน มีกาลังขึ้นมามความทุกของผู้อื่นหรือบางทีเมื่อใจอยู่ในสภา ว, วะสภาวะจิตสงบสภาวะจิตสงบมีปิติหรือว่าเป็นสมาธิไอความดีในใจก็สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้ คนคนที่ไม่ดีหรือคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเวลาเวลาเขาบังเอิญอยู่ในสถานการณ์หรือมอยู่ในในสภาพที่สงบจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบจิตใจเขาดิ่นลงสู่ความสงบเป็นสมาธิความดีก็แสดงตัวมาเริ่มจากความรู้สึกเมตตาปราถนาดีรู้อื่นเริ่มคิดถึงคนอืน่นว่า บางทีก็อาจจะคิดถึงความดีของแม่แต่ก่อนไม่เคยนึกถึงเลยเพราะมันดีแต่ความเด็กแต่ตัวแต่พอใจเรื่องสงบด้วยความบังเอิญก็แล้วแต่หรือว่าบางทีก็ไปอยู่หน้าปีหน้าพ่อพู่กเป็นประทับของพุอพู่กมีความสงบเกิดศรัทธาดีดับขึ้นมาตัว น, นี้แหละก็เริ่มนึกถึงความดี นึ่เความดีของแม่ที่เป็นความดีของเพื่อนนี่เปความดีของใครก็ตามอันนี้แสดงว่าถ้าในความดีหรือคุณธรรมเริ่มเริ่มเริ่มถูกปลูกขึ้นมาแล้วไม่ทําใม่ถูกปลูกก็ไม่มีนึกถือแต่ถ้าไม่มีในใจเช่นเดิมก็ไม่มีทางนู้ถึงได้เพื่ออะไรเพื่อมิตรในทางชั่วร้ายแต่เพราะคนเรามันมีความดีในตัวจริงแต่ว่ารอให้มีอะไรปลูกมีอะไรกระตุ้น ก็เริ่มจะทำงานพอทางานแล้วก็ทีแรกทำงานในระดับจิตใจก็เป็นมโรกรรมต่ถ้ามีพลังมากก็สามารถที่จะฝ่าความนีกัิตัวซึ่งมันเกิดชั้นแรกออกมาเป็นเป็นกายกรรมเป็นพฤติกรรมได้เนี่ยนี่มันถึงบอกว่าใ้คุณธรรมหรือความใส่อยู่นีเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมนุษย์เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าความเปจะตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์เดียวความใฝ่ดีคุณธรรก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมนุษย์เพียงแต่ว่ามันอยู่ชั้นรองชั้นในแต่ว่าจิตของเรามันไม่ได้มีแค่สองชั้นมันมีอชั้นหนึ่งว่าเป็นชั้นชั้นในสุดเรือว่าหยุดเป็นกลางใจก็ได้ผู้อย่างภาษาชาวบ้านคือเป็นแก่น แกนแกนของใจเราอันนี้พูดให้เป็นรูปธรรมแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราพูดให้มันเป็นง่ายๆก็คือในธรรมชาติส่วนที่เป็นชั้นนาะจะุธรรมชาติที่เป็นความสละปอดโรงของใสเป็นสภาวะ ซ, ซึ่งซึ่งไม่ซึ่งอยู่ ขน อ, อยู่เหนือการแบ่งแยกว่าฉันว่าเป็นฉันว่าเป็นคนอื่นเป็นสภาวะที่ยูเหนือความยึดติดในตัวตนยูเหนือการมองโลกเป็นคู่คู่เป็นคูกคู่เช่นดีชั่ว สุทุกข์เกิดตายดำมืดดำสว่างเป็นสภาวะที่ของแท่ยำไว้ต่อความพันพวนค ว, วนแปรที่มากระทบ ไม่จะติดหรือปรารถนาครอบงำไอ้ตรงนี้แหละที่พุทธศาสนาเรียกว่าโลกุตตะละเป็นสภาวะที่มันเหนือโลกคือเหนือเหนื อ, เห น, อเหนือโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมไม่สามารถจับเพือบหรือกระทบให้แปรปรีนได้ พระพุทเจ่ามันเรียกว่าเนี่ยคือจิตว่านี่เป็นต้องถือว่าเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ด้วยพระุเจ้าตรัสว่าโลกุตระอลิยโลกุตระธรทรมเป็นทรัพย์ประจำเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนคือ ท, ทุกคนมีมีสภาวะเช่นนี้หมด มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่ในใจทั้งนั้นในพระเตวิโดบางตอนก็นบอกเนี่ยจิตนั้นประพัสสอนแต่ว่าเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสจอนเข้ามาภายหลังทางมายามีลเลนเนี่ยคือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตที่ผ่องใสเป็น เป็นอยู่ใจกลางของของจิตของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าสภาวะเช่นนี้ยากที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะว่าไปติดไปติดสองชั้นแรกคือเพราะความีปจนตัวดั ว, วความยึดติดความยึดติดในความดี ก็ยังมีตัวมีตนอยู่นคนที่มีมีความใส่ดีคุณนธรรมบางทีก็ยังยังมีความยึดถือในตัวตนติดดีติดดีติดชั่วก็เลยทำให้สภาวะส่วนชั้นสามไม่สามารถจะแสดงตัวให้กระจัดได้เพ่นกว่าจะขัดเก ล, ลือกชั้นแรกที่ความ้ะตัวให้เบาๆาอลงไป แล้วก็สามารถที่จะมองทะลุความความติดดีสภาวะที่เรียกว่าสงบเย็นอยู่โลกุตรธรร ม, รมรหรือมันติดเรื่องวิญญานมันถึงจะปรากฏได้แต่ว่าคนเราก็สามารถจะ สัมผัสหรือเข้าถึงสอชนิดได้เป็นครัง้งคราวด้วยเหมือนกันแต่ว่าจิตว่าจะกินเลสว่างจากความที่เหนี่ยงตัวตนหรือว่ามีสติกำกับในพัสดามีสติรู้ทันเมื่อเกิดพัสดาเวทนาขึ้นคือไม่ปูนเป็นตัวตนขึ้นมาก็จะสามารถสัมผัสสภ า, ะาวะชิ้นี้ได้แต่จากุธาริวัตเป็นวิปปานเล็กน้อย